ขอกราบนบนบโอมแด่องค์พระรัระรตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอกราบน้อมสักการหลวงพ่อยุกิหลวงพ่อวัฒนชัยพันเตและเพื่อนสาธมิกเจริญธรรมมายัางแม่ชีและวาสศกวาสิกายาธิธรรมทั้งหลายก็นั่งกันตามสบายนะวันนี้ก็คงไม่มีอะไรที่จะเป็นธรรมะอะไรที่เป็นเรื่องหนัก อาตอมาก็คงจะพูดถึงเรื่องประสบการณ์กับสิ่งที่ได้มาปฏิบัติธรรมที่วสุขโตแห่งนี้โยมทั้งหลายเชื่อเรื่องโชคชะตาไหมถ้าโยมทั้งหลายเชื่อเรื่องโชคชะตาก็แสดงว่าโยมยังไม่ใช่เป็นชาวพุทธที่แท้ชาวพุทธที่แท้ จะยึดมั่นอยู่ในคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือเชื่อเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยเชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรมที่กระทำมาแต่มาเคยเชื่อว่าไอ้คำว่าโชคชะตาเนี่ยมั น, ม, นมันน่าจะมีจริงนะแต่พอมาวิเคราะห์แล้วจากการที่ได้ประพฤติปฏิบัติมันไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ว่าเป็นจริงเลย แต่ว่ามันมีคําว่าเหตุปัจจัยที่ที่เกิดขึ้นมาทั้งนั้นแล้วมันก็เป็นธรรมะด้วยแล้วก็อาจารมาจะเล่าให้ฟังว่าเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันก็พลิกผันชีวิตของอาจามามาอาจารมาไม่เคยคิดว่าจะต้องมาบวชนะเพราะว่าอายุก็ป่านนี้แล้วห้าสิบสี่ปีก็ป่าเข้าไปครึ่งคนแล้วเคยอยู่สุขสบายในในเมืองมีหน้าที่การงานที่มีเอ มีหน้ามีตาในสังคมอะไรพวกนี้เพื่อนฝูงยํารับผู้คนชาให้ความต้อนรับอะไรอย่างงี้อย่างดีแต่มันมันมีความรู้สึกว่าไอ้สิ่งต่างๆที่ผ่านมาในแต่ละวันเนี่ยมันเหมือนกับมีอะไรเรียกร้องให้อาตมาได้ระลึกถึงว่าเรายังขาดอะไรไปอยู่ในชีวิตนะเหมือนกับเราต้องวิ่งตามหาอะไรตรงนั้นเพื่อให้มันเจออาตมาเคยมีความทุกข์ใจหลายๆเรื่องแต่ว่ามันก็ผ่านพ้นไป แต่ละวันแต่ละวันแล้ ว, ว, ล ว, วลมันก็เป็นอย่างนั้นไปตลอดแต่นี้เราคิดว่าอชีวิตพวกนี้มันไม่ได้มีแกนสารเลยเช้าตื่นขึ้นมาตีห้าวิ่งไปรอรถบริการพอถึงที่ทํางานประมาณเจ็ดโมงทานข้าวทานข้าวเสร็จนั่งอ่านหนังสือพิมพ์สักแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปทํางานทํางานเสร็จก็อยู่ที่ทาํางานไปจนสี่โมงเย็นก็กลับมาขึ้นรถบริการกลับมาถึงบ้านก็ทํากิจกรรมอะไรแล้วก็นอนเช้าขึ้นมาก็ต้องเป็นอย่างนี้ ทุกวีทุกวันทุกวีทุกวันเอะแล้วมันก็มาคิดอยู่ว่าชีวิตเรามันมีแก่นสารอะไรมีเพียงแค่นั้นเหรอก็ได้คิดเออมาปฏิบัติธรรมเมื่อมาปฏิบัติธรรมหลายๆครั้งเข้าก็รู้สึกมีศรัทธาได้ดูเพื่อนญาติธรรมหรือว่าดูพระพิพุสธส่งทึงท่านมีอ่าจริยวัตรที่งดงามอะไรพวกเนี้ยก็พยายามศึกษาพยายามเรียนรู้แล้วในที่สุดเมื่อมันมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วอาตมาก็เออ ถึงเวลาเราที่เราควรจะมาแสวงหาความจริงมาแสวงหาตัวของเราเองให้ค้นพบแล้วก็อาจะมาเนี่ยเป็นคนติดบุหรี่สูบทีวันลาสองาสาซองเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันมันระยะเวลาที่ผ่านมาก็ไม่รู้ว่าทําไมตัวเองถึงสูบได้ขนาดนั้นทั้งที่บางครั้งมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ว่าเป็นเรื่องเครียดที่จะต้องไปสูบเลยคืออาจจะเป็นการสูบเพราะความเคยชินมั้ง แล้วก็มันก็มีเหตุมีปัจจัยที่ว่าจะให้มาที่วัดป่าสุขโตเนี่ยอาจจะมาตั้งใจว่าถ้าเกิดว่าจะจะบวชทั้งทีเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเราก็ไปเลือกวัดเลือกอะไรนี้วัดใกล้บ้านก็เป็นวัดปฏิบัติเหมือนกันก็คือวัดเพลงมิปัสนาก็อยู่แถวฝั่งทนที่กรุงเทพมหานครนะก็เป็นวัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวัดหนึ่งซึ่งอาจารมาก็ปฏิบัติทำอยู่ตลอดเวลาที่นัดที่นั้นแต่ก็จะเป็นสายเกี่ยวกับ การเจริญอาณาปณสติคือพุโทโธหรืออะไรพวกนี้ซึ่งอาตมาจะเล่าให้ฟังถึงว่าสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นระหว่างที่เคยฝึกสายพุโทโธมามันมีอยู่ครั้งหนึ่งอาตมานั่งสมาธิพร้อมกับเพื่อนญาติธรรมเนี่ยก็คือทางวัดเนี่ยเขาจะทำวัดอยู่ประมาณช่วงห้าโมงถึงหกโมงเย็นแล้วหลังจากหมงเยนเนี่ยก็จะมีการเดินจงกรมแล้วก็พ อ, อช่วง ทุ่มถึงสองทุมเนี่ยชั่วโมงนึงก็จะมีการนั่งสมาธิกันแล้วระหว่างนั้นเนี่ยอาตมาก็นั่งวันนั้นมันรู้สึกว่ามีมีสภาวะธรรมบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นคือว่าหลังจากที่นั่งได้ไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยทุกขวเวทนามันเกิดขึ้นอย่างเรียกว่าสาหัสสากันเนี่ยคือเนื้อตัวมันชาและปวดไปหมดเลยแต่คราวนี้ว่ามันเมื่อมันยังไม่ได้ถึงเวลาที่จะ ออกจากสมาธินี่อาตมาก็มันฉุกคิดถึงในเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งถึงตอนที่พระพุทธเจ้าท่านจะก่อนที่ท่านจะตรัสรู้ท่านก็จะบอกถึงเรื่องว่าท้าเนื้อหนังกระดูกเอ็นเราหตจะเหือดแห้งแตกกลายไปถ้าเรายังไม่บรรลุธรรมเราจะไม่ลุกขึ้นเป็นอันขาดทำให้อาตมามีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นแล้วบอกดูซิว่า ไอสิ่งที่ครูบาอาจารย์เคยสอนมาว่าไอเวทนาเนี่ยมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงดูซิมันจะหายไหมก็นั่งเพ่งมันอยู่อย่างนั้นพออาตมาคิดได้อย่างนั้นช่วระยะเวลานั้นผ่านไปประมาณสักนาทีหรือสองนาทีเนี่ยสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นมาคือว่าเ อ, อร่างกายของอาตมาเนี่ยมันเย็นซ่านขึ้นมาเหมือนกับว่าเราเคยเคยถูกถูกไฟชอ็อต น, นะมันจะแป๊บขึ้นมาเนี่ยแล้วไอ้ความเจ็บ ปวดทุกขเวทนาเนี่ยมันก็หายไปโดยที่ว่ามันหายไปตอนไหนเราก็ไม่รู้ไอ้ตอนนั้นก็มันก็เกิดความปิติขึ้นมาว่าเออไอสิ่งที่เราปฏิบัติมาแล้วสิ่งที่พระพุทธองค์หรือครูบาอาจารย์ได้พัฒสอนมาเนี่ยมันเป็นจริงเราได้พิสูจน์แล้วแต่หลังจากนั้นกิเลสเป็นเข้ามารบกวนสภาวะอย่างนี้ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยเพราะอะไรเพราะว่าเรามีความอยากไงความอยากมันเป็นกิเลสมันก็จะมาปิดกั้น การที่เราจะไปรับรู้ถึงอารมณ์ที่มันถูกต้องในกรรมฐานและหลังจากนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ก็ได้รวังกลับมาคือพอนั่งแล้วก็มันตกรวังแล้วก็จิตเราก็ไม่ไม่สามารถที่จะยกระดับขึ้นมาถึงขั้นวิปัสสนาได้อาจะมาก็คิดเอในใจว่าเราจะทํำยังไงให้มันจิตมันยกขึ้นมาอะไรขึ้นมาจะหาวิธีอะไรได้ก็คือต้องออกบวช ด, ดีกว่า เราได้มีเวลาปฏิบัติเต็มที่ก่อนที่อาตมาบอกว่าอาตมาจะบวชไม่มีใครเชื่อเลยเพราะว่าอยู่ที่ทํางานเนี่ยอาตมาจะเป็นคนวัวโตกแล้วก็สนุกสนานเฮฮาไม่คิดว่าจะต้องบวชต้องอะไรเงี้ยแต่ไอ้เรื่องดื่มกินอาตมาไม่มีนะเพราะว่าเคยตั้งปฏิญาณไว้กับ อ, อพ่อแม่แล้วว่าไอ้เรื่องน้ําเมานี่จะไม่แตะหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปอาตมาเนี่ยมีความทุกข์ใจอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงเท้าความนิดนึง สภาวะที่อาตมาเคยเคยพบกับความตายที่ว่ามันเห็นต่อหน้าต่อตาแล้วมันทุกข์มากเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ความตายต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันมาเกิดขึ้นกับอะไรเกิดขึ้นกับคนที่เรารักปีแรกลูกชายคนโตของอาตมาเป็นปอดบวมต้องไปนอนไนซียูอาตมาไปมอง มองจนเขาสิ้นใจต่อหน้าตาถ้าเป็นโยมโยมจะคิดยังไงคนที่มีลูกครั้งแรกเนี่ยแล้วลูกกำลังน่ารักอายุอ๋อกว่าหกเดือนซึ่งตอนนั้นมันเป็นอะไรที่ทุกข์มากแต่ต่นมาก็ต้องต้องทำใจเพราะว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องต้อง ยอมรับ ย, ยอมอยู่กับมันให้ได้อจตมายอมถึงขั้นที่ว่ารักลูกมากเนี่ยเมนเผาศพที่เขาตั้งตั้งศพของลูกอยู่เนี่ยใส่ในโรงอะไรพวกนั้นะอัตมาไม่นอนบ้านอาจตมาไปนอนเฝ้าอยู่หน้าเมนเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่รู้ว่าทาได้ยังไง ซึ่งมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีไอเรื่องการปฏิบัติธรรมในประชาที่อาตมาจะกล่าวกล่าวถึงต่อไปนะทั้งที่สองโยมพ่อของอาตมาไปล้มในห้องน้ำแล้วกเ็เป็นเส้นโลหิตในสมองแตกก็ไม่รู้สึกตัวอาตมาต้องพาส่งลงพยายศิริราชแต่ว่าศิริราชเขาก็ แบ่งรับแบ่งสู้บอกให้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรสงครามก็ต้องพาท่านไปแล้วท่านก็ไปเสียชีวิตที่นั่นก็ต่อหน้าต่อตาเหมือนกันอาตมาก็ต้องไปอาบน้บําศพอะไรจนเรียบร้อยก็เอาศพมาทําพิธีที่กรุงเทพอันนี้เป็นการทุกเขเวทนาทางจิตใจครั้งที่สองที่ว่าต้องสูญเสียบุคคลที่รักที่บูชาไปแล้วปีถัดมาโยมเอ้ยแม่อาตมาเป็นมะเร็ง แต่ครั้งนี้เป็นเป็นอะไรที่อาตมาเห็นกับตาแล้วก็มันยังติดอยู่ในความรู้สึกโยมเคยเห็นคนที่ว่ากำลังจะขาดใจตายต่อหน้า ต, ต่อตาไหมที่ว่ า, าลมหายใจเฮือกสุดท้ายทีก่กำลังจะหมดลงอ่ะแล้วก็ทวารทั้งเขาเรียกว่าทวารเนี่ยเปิดทั้งหมดเลยจะรับปัสสาวะอะไรไหลน้าหูน้าตาน้ามูกอะไรไหลออกมาเนี่ยอาตมาเห็นมาอย่างนั้น ซึ่งมันเป็นเป็นอะไรที่โอ้โหมันบรรยายไม่ถูกโลยเดยมไหนี่แหละไอ้พุขธเวทนาพวกนี้มันก็เลยทำให้อัตมาได้ได้คิดได้อะไรหลายๆอย่างแล้วตั้งอันนั้นมาไอ้เรื่องความตายของญาติพี่น้องหรือว่าของเพื่อนฝูงอะไรพวกนี้อัตมาก็จะเป็นคนที่คอยปรอบโยนโดยเอาอประสบการณ์จากที่อัตมาได้ ประสบมาเนี่ยทั้งสามครั้งสามปีซ้อนโยมคิดดูดิคนที่รักคนที่บูชาต้องจากไปอันนี้มามาถึงนักปัจจุบันนี้การที่ว่าก่อนจะออกบวชเนี่ยอาตมาก็คิดว่าหลังจากที่เราได้สภาวธรรมอะไรตรงนี้แล้วเราก็จะบวชแล้วอันนี้เราต้องหาวัดที่มันสงบซะหน่อยเพราะว่าวัดนั้นก็เดี๋ยวก็แขกไปใครมาอะไรคงจะไม่สงบแน่อามาก็คิดถึงแล้ว ไปดูในวิดีโอดูอะไรก็ฟังทำไปเรื่อยๆแล้วอยู่ๆมันก็ไปเจอหลวงพ่อไพศาลก็ซึ่งอาตมาเคยได้ฟังทำอะไรของท่านเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเท่าไหร่หรอกทิ้งก็ดูผ่านๆไปอะไรไปอนนี้มันมันมาสะดุดไอ้คาว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรอาตมาก็เอ๊ะมันมันเป็นยังไงไอ้คำนี้มันน่าสนใจก็เลยลองเปิดดูนี่พอเปิดไปเปิดมาไปเจอหลวงพ่อคําเขียน ท่านกำลังเทศอยู่ในใ น, YouTube นยูทูบไงก็ฟังฟังฟังแล้วบอกเอว่าท่านอยู่ที่ไหนนะอะไรนะเขาบอกว่าอยู่วัดพอนท่านบอกว่าอยู่วัดป่าสุขโตอาตมาก็วัดนี้เป็นยังไงนะเราลองดูสิเนี่ยถึงจะบอกว่ามีเหตุมีปัจจัยและที่ว่าจะจ ะ, จะต้องมามาปฏิบัติธรรมที่นี่ <c oughs> เหตุก็คือว่าเราอยากจะบวชใช่ไหมนี้ว่าไอ้ปัจจัยที่เราจะได้เจอกับวัดตรงนีนน้ก็คือว่าเราได้ไปเจอสิ่งที่เราเหมือนกับว่า มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ว่าเราตามหามานานไงก็เลยตัดสินใจมากับลูกชายมาดูที่ว่าเออมันเป็นยังไงพอมาเห็นก็ประทับใจเลยว่าเออทั้งสภาพแวดล้อมมันเป็นสัพยะมากแล้วก็เดินมาดูที่ลานจงกลมเนี่ยดูลานหินโค้งอะไรพวกนี้ยก็บอกเออเนี่ยมันมันน่าจะเป็นที่ที่เราจะสามารถปฏิบัติฝึกษธรรมได้ก็เลยกลับไปเตรียมตัวบวชอยู่ที่กรุงเทพสามวัน กาบลาหลวงพ่ออุปชามาบอกว่ากับผมจะมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าตุกรโตท่านก็อนุโมทนามาด้วยอันนี้ว่าหลังจากที่มาแล้วเนี่ยมาถึงนี่ก็มาเจอกับอะไรหลายๆอย่างที่ว่าเป็นทั้งเรื่องดีและไม่ดีคือไม่ดีเนี่ยคือไม่อยากพูดถึงคนอื่นพูดถึงตัวเองดีกว่าพ้อบกพร อ, องตัวเองมาอาทิตย์แรกเนี่ยไม่ได้เรื่องอะไรเลยบอกเฮ้ยเราจะมาทําไมวะเนี่ยมันแบบอะไรอะ่ะไปเจอกับพระเด็กๆรุ่นลูกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ เอ้มันยังไงของมันเงินวันนี้มันบางทีก็เราก็เฮฮาไปกับเด็กคือเราเข้าใจสภาพของเด็กนะคือเขาเข้ามาบางทีเขาก็อาจจะมาแบบว่าบวชตามประเพณีหรือว่าพ่อแม่ให้บวชแล้วก็บวชตามใจอะไรไปอย่างเงี้ยหรือบางคนก็บวชมีปัญหาอะไรมานิดนดหน่อยเจ็ดวันแรกไม่ได้อะไรเลยพอจนมาเข้าคอร์สเข้าคอร์สการอบรมเข้มประมาณเจ็ดวันกับพระอาจารย์ทรงศิลปแล้วก็พระอาจารย์สมใจ ตอนนี้แหละที่ว่าอาตมาได้ได้รู้อะไรที่ว่ามันไม่เคยรู้มาก่อนยกตัวอย่างการลดอัตราของตัวเองลงมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่าพระอาจารย์ทรงศิลท่านบอกว่าการจะลดตัวเองลงเนี่ยคุณจะต้องยอมรับในคู่ของคุณคือในลักษณะว่าจับคู่กันพระกับพะระยอมกับยมอย่างงี้ แล้วก็มองหน้ากันพอมองหน้ากันปั๊บเนี่ยให้เรามองเห็นความดีของเขาให้ได้แม้แต่อย่างเดียวแล้วกล้าที่จะก้มกราบเขาโดยที่เอาเท้าไปชิดเท้าเขาเออเอาหน้าผากนไปชิดเท้าเขาไหมอาจะมาคิดในใจว่าเฮ้ยมันถึงขั้นอย่างนั้นเลยเราอายุป่านนี้แล้วแล้วตอนนั้นผมเอาจจะมาจับคู่กับพระโจใช่ไหมพระโจซึ่งพระโจเนี่ยถ้าพูดถึงตามอุโสเนี่ย เออพันเอตอท่านจะเป็นพันเตนะบวชก่อนแต่ว่าถ้าตามทางโลกเนี่ยท่านก็อยู่ในวัยที่เป็นลูกคนโตที่ที่ที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะไม่ใช่คนที่เสียไปนะอาตมาก็ก็มองมองไปในตาของพระโจเนี่ยแล้วก็ถามตัวเองว่าเราจะกล้ากุมกบับพระองค์มีได้ไหม ทั้งที่เพื่าเราก็เพิ่งรู้จักกันยังไม่ใจถึงเดือนเราก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางอะไรคแต่ก็เมื่อมองมองตาซื่อของพระโจเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีอะไรโดนใจอาตมาเห็นบางสิ่งบางอย่างในในตัวของพระโจว่าจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่ ง, ซ, งซึ่งทำให้อาตมาประทับใจแล้วก็สามารถที่ว่าจะก้มกราบท่านได้อย่างไม่ตะกิดตะหวงใจแล้วอาตมาก็ก้มกราบก่อนนะ พระโจยังตกใจบอกโอหลวงพ่อทำไมหลวงพ่อมาก้มกราบทั้งที่ว่าพระอาจารย์ทรงศิลท่านก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าเป็นลักษณะว่าบีบบังคับอะไรนะแต่ไอ้ตรงนั้นเน่ยมันมันเหมือนกับว่ามีอะไรดนใจที่ว่าเมื่อถ้าเราสามารถที่จะลดตัวลดตนของเราไม่มีตัวมี ต, มตนหรือว่ามีมา n ะทิฐิอะไรแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงอาตมารู้สึกว่าหลังจากที่ก้มกราบเท้าพระโจแล้วก็เอ่อนับผกักได้ไปสัมผัสกับเ ท, ท้าของท่านเนย รู้สึกเย็นว่าบเลยเย็นว่าบแล้วก็รู้สึกโล่งว่าตัวเรามันคลายทิฏฐิคลายตัวตนของเราได้แล้วเนี่ยแล้วมันก็แบบเป็นอะไรที่เป็นความรู้สึกที่วิเศษสุดมากเลยนี่นๆ่นั่นครั้งหนึ่งนะแล้วหลังจากนั้นไอ้ น, นี่มันเป็นความดีที่ว่าได้ได้เห็นได้อะไรแล้วหลังจากนั้นไม่นานไอ้ความไม่ดีมันก็ปรากฏขึ้นเพราะาไอ้ความที่เราหลงไงวันนั้นฝนตกหนักก็มีเด็กที่เข้ามาฝึก กรรมฐานเนี่ยชุดเดียวกันเนี่ยเป็นรู้สึกจะมาจากนักเรียนพยาบาลของจังหวัดบุรีรัมย์มั้งประมาณทักสามสิบสี่สิบคนก็นั่งฟังทำอะไรกินนี้นีนอาตมาก็เห็นว่ามันฝนตกนี่ไม่รู้จะทำไรเบือ่อหยิบหนังสือสวดมนต์มาดูพอฝนซาพระอาจารย์ทรงศิลท่านเกิดจับไม่แล้วทันเกิดตำหนิอาตมาต่อหน้ า, นาบุคคลทั้งหลายแล้วก็พระด้วยอะไรด้วย โอ้โอาตมาตอนนั้นปีิดเลยเพราะว่าอายุกับอายุของอาตมากับหลวงพ่อทรงศิลป์นี่ก็ไวัยไร่เรียกกันไงแต่ครั้งนี้มันมันมีไอไอสิ่งที่เราเรียนรู้มาตลอดว่าเราจะต้องมีสติไงแล้วครั้นี้เราก็พิจารณาดูว่าหลังจากที่ว่าเราเราลึกรู้แล้วว่าอาจารย์เขาคำนิเราเนี่ยเพราะว่าเราผิดแต่ว่าเป็นการเป็นการที่ว่า ตำนต่อหน้าธารกรรมนันคือท่านอาจจะดูว่าเราจะมีขันติขนาดไหนไงแต่อัตามาก็ผ่านผ่านพ้นตรงนี้ไปได้อันนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไงที่ว่าพอเราหลงแล้วเนี่ยมันก็เกิดความเสียหายขึ้นตอนนี้มันก็เลยเป็นบทเรียนสอนใจแล้วก็อัตามาก็ไม่ได้คิดโกรธเคืองแล้วคิดทุกวันนี้ยังคิดขอบคุณท่านอยู่นะว่า ถ้าไม่ได้ท่านเตือนเนี่ยเราก็คงจะหลงไปอย่างเงี้ยทะนงตนอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเราเป็นผู้อาวุโสจะทําอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไอคนที่ว่าทําตามใจอะไรตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะประสบกับไอปัญหาหลายๆอย่างในชีวิตอย่างนี้แหละคือถ้าเราอยู่ในสังคมที่มีกฎมีระเบียบที่เขาวางแบบแผนไว้อย่างดีแล้วเราไปละเมิดเข้ามาอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบเวลาเราประชุมเงี้ยแล้วก็ มือถือไม่ยอมปิดไม่ยอมอะไรอยู่อดังขึ้นมาอะไรเงี้ยสมาธิมันก็เสียใช่ไหมคนที่เขาต้องการจะฟังข้อมูลหรือการอบรมที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยมันก็จะเสียไปแล้วมันก็เป็นการก่อเวรให้กับคนอื่นเขาก็จะตําหนิอะไรเราได้เนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ญาติโยมก็ควรจะสังวรไว้เวลาเข้าสมาคมหรือว่าเข้าไปในชุมชนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขามีกฎมีระเบียบอะไรเราต้องพยายามศึกษาแล้วก็อย่าไปละเมิดเขา อย่าไปทำอะไรตามใจคือไทยแท้ไม่ได้มันจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความลาบากแล้วก็จะเป็นการก่อศัตรูนะทีนี้หลังจากนั้นไม่นานหลังจากที่ได้อบรมออกมาแล้วก็รู้สึกว่าเห็นอะไรหลายๆอย่างดีขึ้นภาวะธรรมก็การเดินจงกรมอะไรนี่ก็ดีขึ้นอะไรขึ้นมันก็มีเรื่องที่ทำให้อตมาฉุกคิดใหม่ว่า หลังจากที่ได้เดินชมวัดอะไรรอบรอบสองรอบแล้วไปประทับใจอยู่ตรงไอ้เชิงตะกรที่เผาศพอยู่หลังวัดเนี่ยอาตมาก็อยู่ๆมันฉุกคิดขึ้นมาว่าเอ้เราลองไปไปนอนอยู่ที่เชิงตะกรสักเ็วันดูดิมันจะเป็นอะไรก็คุยกับเพื่อนสหาหธรรมมิกที่บวชพร้อมกันอะไรเงี้ยเขาก็ยังคิดว่าจะกล้าหรือเปล่าอะไรหรือเปล่า แดีวอาจะมาเมื่อตัดสินใจแล้วก็ปรึกษาพระอาจารย์ออสซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมาจะต้องกล่าวถึงบุคคลท่านนี้อย่างอย่างมากในในตอนท้ายนะเดี๋ยวจะเป็นอะไรก็คอยรับฟังกันไปอันนี้พอตัดสินใจแล้วก็ปรึกษาท่านเรียบร้อยท่านก็บอกก็ลองไปดูสิไปดูอารมณ์ของตัวเองอาจจะมาก็ตัดสินใจไปเลยเจ็ดวันไปอยู่คืนแรกไม่หลอนมาก พราะมันไฟก็ไม่มีน้ําก็ไม่มีแล้วก็ฝนฟ้าก็ตกด้วยอาตมาต้องไปอยู่คนเดียวมันก็รู้สึกกลัวนะรู้สึกกลัวรู้สึกหวาดคิดไปว่าถ้าเดี๋ยวซ้ายแลขวาไปเจอใครนั่งอยู่บนเชิงตะกอนนี่เราจะทํายังไงจะอะไรอย่างงี้อันนี้พอคิดไปคิดมามันก็ความคิดเนี่ยความคิดเนี่ยคือเราเข้าไปอยู่ในความคิดแล้ ว, ก ล, วกลัวนู่นกลัวนี่อยู่ๆมันมีสติตัวหนึ่งมันผุดขึ้นมา ก็ถามว่าถามตัวเองว่าเจ้ากลัวอะไรมันมีอะไรให้กลัวเหรอไลัอไอท้ที่ไอ้สิ่งที่กลัวมันมันมันอยู่ตรงไหนหาให้เจอสิว่ามันกลัวตรงไหนอาตมาก็ผูดออกมาจากเ อ, อเต็นที่นอนเนี่ยนะเต็นมันจะเป็นเต็นใสๆแล้วก็ลงมาเดินจงกรมแล้วก็พยายามขวาดตาไปเรื่อยๆก็เดินจากเ อ, อประมาณสามทุ่ม ถึงตีสามเพราะ้ความกลัวมันก็ไม่มีอะไรนี่ว่าเออเพราะมันไม่มีอะไรมันก็แบบเออเรากลัวของเราไปเองตรนี้ว่ามันเราเริ่มมีความมั่นใจในตัวเองเนี้ยก็อยู่อยู่ที่ประชาได้อย่างสบายใจอันนี้ก็เป็นเป็นไอ้สิ่งที่ได้ประสบมาอะไรมาเนี่ยเพราะฉะนั้นบางบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าเรากลัวเนี่ยเราจะต้องเข้าไปเผชิญกับมันถ้าเราไม่กล้าเผชิญกับมันเนี่ยเราก็จะไม่กลัวไอ้เราก็จะไม่หายกลัว พอเรารู้ปัญหาอะไรทั้งหลายแหล่แล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรน่ากลัวเลยมันเป็นสิ่งที่ว่าใจมันหลอกหรือกิเลสมันหลอกเรานั่นแหละแต่ถ้าเราเรามีความกล้านะกล้าที่จะเผชิญกับมันไม่ว่าอะไรที่มันจะมากระทบจิตใจเราจงกล้าเผชิญกับมันยอมรับกับมันแล้วสู้กับมันสู้ไม่ได้ก็ให้มันตายไปซะชีวิตนี้ชีวิตเดียวแต่ถ้ายมสู้ได้แล้วเนี่ย โยมก็จะสามารถที่จะสู้อะไรกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้โยมสู้ได้หมดตรงอย่า ก, กลัวอย่าขลาดปลุกจิตใจของตัวเองให้เข้มแข็งขึ้นมาหลังจากนั้นก็ได้ปฏิบัติมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่ามันมีความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นแล้วมีอยู่วันหนึ่ง สภาพธรรมบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นกับอาตมาซึ่งอาตมาได้ได้เรียนถามพระอาจารย์ออสว่าไอ้สิ่งสิ่งเนี้ยมันมันคืออะไรคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเอมันเหมือนกับว่ามันไวมากจนจนแบบว่าบางทีมันตามไม่ทันคือมันเหมือนว่าสติเรามันมีมากเกินไปไงแล้ว บางครั้งเนี่มันมันมันหลงปุ๊บมันรู้ปั๊บอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันผ่านไปเร็วมากอย่างเช่นเวลาสวดมนต์เนี่ยบางทีเราสวดสวดอยู่เงี้ยมันจิตใจอยู่กับบทสวดใช่ไหมพอมันแวบนิดเดียวเนี่ยไอ้บทสวดที่จะสวดต่อไปมันลืมมันข้ามกระโดดไปอะไรไปเงี้ยมันก็เอ๊ะมันเป็นยังไงซึ่งเจะว่าเราหลงมันมันระหว่างนั้นเรามีสติและลึกรู้อยู่ว่าว่าเรากําลังสวดมนต์ แล้วก็กําลังกล่าวคําอย่างนี้อยู่แต่ว่ามันไม่รู้มันแวบไปได้ยังไงก็เรียนปรึกษาท่านอาจารย์ออสท่านก็บอกมันก็เป็นสภาวะรมอย่างหนึ่งซึ่งว่าสติมันไวซึ่งเราจะต้องพยายามที่จะควบคุมมันให้อยู่โดยที่ว่าไม่ไม่ต้องไปจ้องเพ่งอะไรมากมายอะไรพวกเนี้ยมันก็เออ ม, ก ม, กมกัก็ได้แล้วต่อไปนี้ก็คงจะพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมที่ได้จากพระอาจารย์ออสบุคคลนี้ผมนับถือท่านเป็นอาจารย์ที่ว่า จะเทิทูนไว้ในจิตใจอยู่เสมอตลอดไปถึงแม้ว่าผมเจอสึดข่าลาเพศไปแล้วก็ยังไงก็ต้องกลับมากราบท่านอีกเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวเองมีบุญและโชคดีมากที่ได้มาอยู่กุฏที่ท่านอยู่ว่าการปฏิบัติธรรมอะไรของผมก็ก้าวหน้าเพราะเพราะท่านนี่เนี่ยเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยท่านชี้ให้ผมเห็นในในสิ่งที่มันเป็นเรื่องจริงนะปัจจุบันไม่ใช่ ไม่ใช่ที่ว่าเป็นการปรุงแต่งหรือเป็นการบอกเล่าเก้าสิบให้ให้รู้คือท่านสอนให้ทําแต่ขณะเดียวกันก็จําไปด้วยอย่างเช่นที่ผมประทับใจมากๆเลยคือว่าครั้งแรกที่ท่านแสดงทำกับผมเรื่องการมีสติคือเรื่องรองเท้าผิดข้างถ้าโยมเคยได้ฟังพระอาจารย์ออดพูดเรื่องรองเท้าผิดข้างเนี่ยคงคงจะประทับใจเหมาแต่มาคือมันไม่ต้องรู้อะไรมากเลย การมีสติระลึกรู้เนี่ยคือพอรู้ปุ๊บมันก็เปลี่ยนปับ๊บกลายเป็นจากหลงกลายเป็นรูน้เนี่แล้วเราไม่ต้องไปคิดต่อเพราะถ้าเราไปคิดต่อมันก็กลายเป็นว่าเราไปอยู่ในความคิดมันก็หลงต่อไปนี่แหละแต่ถ้าเรารู้แล้วเนี่ยรู้แล้วก็แล้วกันไประวังไปก็จบเพนไปแค่นั้นแล้วเราก็พยายามทำไอ้ตรงเนี้ยให้มากๆเวลาเรารู้อะไรระวงังรู้อะไรระวงังคือรู้รู้แต่รู้เฉยๆรู้ซื่อๆอย่างที่หลวงพ่อคําเขียนนั้นว่าเนี่ยแต่ทําตรงนี้ให้ต่อเนื่อง เมื่อทาต่อเนื่องแล้วเนี่ยสติเราก็จะมาเวลามีเหตุการณ์มีกิเลสมีอารมณ์อะไรที่มันมากระทบจิตใจเราเนี่ยเราก็จะตามรู้ให้มันทันเมื่อเรารู้ทันแล้วเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆที่มันเป็นทุกข์เป็นอะไรมันก็จะคลายการพูดถึง เ, เรื่องนิพพานเนี่ยไอล้ลักษณะรองเท้าผิดข้างเนี่ยมันก็เป็นนิพพานทีนิดหนึ่ง มันเกิดขึ้นแล้วดับไปแต่คือรู้แล้วรู้แล้วก็จบไปแล้วมันสมประโยชน์เต็มที่แล้วนะมันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องไปทําอะไรแล้วแต่ภาวะมันหายไปหมดแล้วใช่ไหมโยมเมื่อมันหายไปแล้วเนี่ยเราจะมาเอาอะไรกันก็รู้ว่ารองเท้าผิดข้างเมื่อมันผิดข้างแล้วใช่ไหมผิดข้างแล้วพอซับให้มันถูกมันก็จบแล้วก็เหมือนกับชีวิตของเราเนี่ยเวลาเราเราหลงลืมอะไรไปแป๊บเนี่ยพอเราระลึกรู้ขึ้นมาแบบมีตัวสติมาเนี่ยเราก็ สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นการที่มีสติเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราจะมีสติเฉพาะเรื่องธรร ม, มะนะมันจะต้องมีสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินในโลกแห่งความเป็นจริงณปัจจุบันเนี่ยความจริงมันก็ไม่ใช่เป็นจริงมันเป็นโลกสมบูรณทั้งนั้นนะแต่ว่าเรายังยังยังจะต้องอยู่ในโลกของโลกกีวิสัยอยู่หลันจากที่โยมกลับบ้านไปแล้วหรือไปทํางานทําการอะไรพวกเนี้ยมันจะต้องใช้ในตัวเนี้ย เอาไปใช้คือธรรมะไม่ใช่ว่ามานั่งหลับตามานั่งทําจังหวะอะไรแล้วก็จบนไปไม่ใช่อย่างนั้นต้องเอาติดตัวไปใช้จนวินาทีสุดท้ายก่อนที่โยมจะสิ้นชีวิตตรงนี้สําคัญมากที่อาตมาจะบอกแล้วเป็นเป็นสิ่งที่ว่าอาตมาคิดว่าอาตมาจะต้องปฏิบัติให้ได้ตรงนี้จนถึงที่สุดเพื่อจะให้รู้ว่าละสุดท้ายของอาตมาว่าขณะที่จิตอาตมาจะดับเนี่ยอาตมาจะไปอยู่ตรงไหน จะมีสติระลึกรู้ไหมว่าไอสิ่งที่เคยทำมาทั้งดีทั้งชั่วในอดีตที่มันจะตามมาหลอกหลอนตรงนั้นอาตมาจะมีสติไหมยมทุกคนก็สามารถทำได้ตรงนี้เกิดมาทุกคนต้องตายแต่ตายมันต้องตายให้อย่างมีความสง่างามมีความสวยงามอย่างพระอาจารย์ไพศาลท่านว่าคือเราต้องเตรียมตัวตายก่อนตายใช่ไมแต่อการเตรียมตัวตายเนี่ยมันมันต้องต้องเตรียมอย่างอย่างนี้แหละคือการสร้างสติขึ้นมา เพื่อให้ระลึกรู้ถึงว่าจุดที่ว่าก่อนที่จิตเราจะดับนนเนี่ยเราสามารถจะรู้เลยว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนโยมอยากจะไปอยู่อบายหรืออยากจะไปอยู่สุขติภูมิหรืออยากจะไปอยู่นิพพานตรงเนี้ยโยมเลือกเอาได้เพะนั้นสิ่งต่างๆทั้งหลายที่อาตมาได้กล่าวมาในวันนี้ในฐานะพระใหม่ที่ได้เทศมาอะไรพวกเนี้ย ซึมันอาจจะกระท่อนกระแท่นบ้างเพราะว่าไม่มีประสบการณ์เป็นครั้งแรกในชีวิตแต่ที่อาจจะมาจําเป็นจะต้องจับไม้ตรงนี้เพราะว่ า, าหลวงพ่อวัฒนชัยท่านให้โอกาสแล้วก็บอกว่าท่านเทศได้แล้วก็อาจจะเป็นครั้งแรกและอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของท่านที่จะได้เทศอย่าให้โอกาสมันสูญเปล่าต่อามาก็บอกเอาเทศแต่ก็เคยก็ก็บอกเออเราจะเทศอะไรก็ได้พระอาจารย์ออสอีก บอกอยากจะเทศอะไรก็เทศไปให้มันเทศมันออกมาจากใจเรารู้อะไรเราเห็นอะไรเทศเออกมาจากใจแล้วมันจะสื่อไปถึงผู้รับฟังได้เองไอ้สิ่งละอันพลันน้อยที่อาจมาได้กล่าวมาในวันนี้ถ้าจะเป็นประโยชน์กับโยมนะก็ขอให้สิ่งนั้นโนะยมรับไปแต่สิ่งไหนที่เป็นเป็นทุกข์เป็นโทษก็อย่าเอาเยี่ยงอย่างสุดท้ายนี้ขออารัธนาคุณพระศรีรันาตนตรัย สิ่งศ ส, สิทธิ์เจวดาทั้งหลายตลอดจนบุญคุณผู้มีพระคุณอุบาอาจารย์ทั้งหลายจงดนลบันดาลให้เพื่อนสหธรรมิกญาติโยมทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่ถูกต้องตามทํานองคงธรรมก็จงพันสำเร็จพันสาเร็จให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานทุกท่านเธอ